แถวนี้ผีดุผีรถไฟสวัสดีครับพี่ๆทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อเอ็มปัจจุบันเรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือมีเรื่องน่ากลัวสุดๆและน่าสยดสยองมาเล่าให้ฟังครับเรื่องมีอยู่ว่าในช่วงแรกของการเรียนปีที่หนึ่งที่มหาวิทยาลายัยผมจะต้องเดินทางไปเรียนโดยรถไฟ ซึ่งในตอนนั้นผมชอบการนั่งรถไฟเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่เรีบไม่ร้อนใจเย็นมองวิวข้างทางไปเรื่อยๆแต่ครั้งนั้นที่ผมจำได้จนติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนได้ผมนั่งรถไฟตีตัวตู้นอนเตียงนอนของผมอยู่ชั้นบนเวลาช่วงนั้นผู้โดยสารในโบกี้ต่างคนต่างหลับหากวันนั้นแปลกอยู่อย่างทำไมผมนอนหลับยากก็ไม่รู้ครับทาั้ ท, ที่ปกติผมจะเป็นคนนอนหลับง่ายมาก แต่พอสัพักกำลังเคลิ้มเคลมใกล้จะหลับผมรู้สึกว่ามีมือใครไม่ทราบมาจับที่ข้อเท้าผมผมตกใจตื่นขึ้นมาคิดว่าใครมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าผมเลยลงมาที่เตียงข้างล่างมาดูคนที่นอนเตียงล่างเป็นผู้ชายร่างใหญ่แต่มือที่จับผมนั้นเล็กกว่ามือของพี่เขามากเลยครับเลยบอกตัวเองว่าสงสัยจะคิดไปเองช่างมันเหอะผมง่วงแล้วผมเลยขึ้นไปนอนบนที่นอนชั้นบนของผมเหมือนเดิมครับสักพักผมได้ยินเสียงเรียกของผู้หญิง ที่คะ่ะรบกวนช่วยหน่อยค่ะเสียงนี้ดังมาทางหัวนอนของผมผมก็ด้วยความที่นอนไม่หลับอยู่แล้วมีน้ำใจก็ได้วัดเลยลงจากเตียงแล้วเห็นหลังผู้หญิงเดินล่วงไปข้างหน้าและไม่เห็นหน้าตาว่าเป็นอย่างไรผมก็เดินตามแบบงงๆแล้วก็ถามว่ามีอะไรให้ผมช่วยครับตรงนั้นนะคะมือของผู้หญิงคนนั้นชี้ไปทางด้านหน้าซึ่งเป็นเบอรเกอร์รถตอนสุดท้ายในห้องนั้นผมเห็นช่เบียงอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดแต่ มือของหญิงคนนั้นชี้ไปที่ผ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆที่อยู่เหนือขึ้นไปช่วยเอาสิ่งนั้นออกไปทิ้งหน่อยได้ไหมคะหญิงสาวบอกทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่หันหน้ามามองผมอยู่ดีอ๋อได้ครับผมตอบรับทั้งๆ ท, ท, ที่ก็ยังงงกับหญิงสาวคนนั้นว่าให้ช่วยแค่นี้นั่นเหรอขณะที่ผมกำลังจะเอากอี้มาต่อขาเพื่อที่จะยืนให้ถึงผ้าสี่เหลี่ยมนั้นทันใดนั้นผมก็ถูกล็อกตัวจากทางด้านหลังมีพี่ผู้ชายที่เป็นตำรวจรถไฟหนึ่งคน แล้วก็คนที่นอนอยู่ที่เตียงชั้นล่างผมหนึ่งคนมาดึงตัวผมไว้ยังไม่ทันที่ผมจะได้พูดอะไรเจรียงของพี่เขาถามมาก่อนเลยว่าเฮ้ยน้องโอเคไหมพี่ตํารวจรถไฟถามตื่นตื่นพี่คนที่นั่ข้างล่างใช้มือตบหน้าผมไม่แรงนักแต่ก็ทําให้ผมเริ่มมีสติอะไรกันพี่ผมก็ตื่นนะผมได้บอกพวกเขาตื่นอะไรกันเล่าพี่เห็นเราเดินเหมือนคนนอนละเมอพอดีพี่จะมาเข้าห้องน้ําพอดีแล้วพี่เห็นเราเดินเข้าไปในโบกี้สุดท้ายดูไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหรือทําอะไร พอดีพี่ตำรวจรถไฟผ่านมาพอดีพี่เลยถามด้วยว่าห้องนั้นให้คนเข้าไปด้วยเหรอพี่ตำรวจรถไฟก็บอกว่าเข้าไม่ได้เขาได้เฉพาะพนักงานแล้วพวกเราก็เห็นน้องเดินเข้าไปในโบกี้นั่นแหละพี่ผู้ชายที่นอนเตียงล่างบอกแล้วพอพี่เปิดประตูและเข้าไปในโบกี้นั้นพี่เห็นน้องกำลังยืนบนเก้าอี้เหมือนกับจะผูกคอตายหรือถ้าไม่ผูกคอตายอิ่งนิดเดียวน้องก็จะตกรถไฟตายอยู่แล้วเนี่ยพวกพี่ตกใจมากเลยรีบดึงไว้นี่แหละพี่ผู้ชายรีบบอกพร้อมกับชี้มือไปที่ประตูสุดท้ายของรถไฟ ซึ่งเปิดกว้างหยุดถัดจากเก้าอี้ที่วางไว้นิดเดียวพอผมมองเห็นเก้าอี้วางมีมินใกล้ๆประตูที่เปิดนั้นผมก็ใจหายว่าเกือบตกรถไฟซะแล้วสิรองแล้วผมก็หันมาพูดกับพี่ทั้งสองต่อเมื่อกี้มีผู้หญิงมาเรียกให้ผมไปช่วยเธอผมก็เดินตามมาแล้วเธอบอกว่าให้เอาอันนั้นออกให้หน่อยเหมือนผ้าเสีเห่หมอยู่ตรงนั้นผมเรียบเล่าให้พวกพี่ฟังแล้วชี้ไปที่ตำแหน่งที่หญิงสาวบอกไว้ทุกคนตรงที่นั้นเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนผมก็เห็นว่า ภาสีเหลืองที่ผมเคยเห็นหายไปแล้วจะกลับเห็นเชือกสีน้ําตาลเหมือนเชือกปอเส้นใหญ่ทําเป็นบ่วงห้อยลงมาเหมือนกับว่าถ้าผมที่ไปยืนมันก็อี้บ่วงนั้นมันจะพอดีกับที่ผมเอาหัวเข้าไปและสนามมันก็จะผูกคอตายผมหลับตาแล้วลืมตามองแบบไม่เชื่อสายตาตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกทีแทนที่ภาพบ่วงจะหายไปผมกลับมองเห็นร่างผู้หญิงรูปร่างท้วมใส่ชุดกระโปรงยาวๆเหมือนชุดคลุมท้องตาเหลือกโปน ลิ้นห้อยจุก ป, ปากหน้าซีดเขียวคอครองอยู่ที่บ่วงนั้นเธอมองตรงมาที่ผมและส่งยิ้มให้ทั้งทงที่คอยังแขวนอยู่นั่นแหละผมชอ็อกรู้สึกเหมือนว่าผมตั้งไปทั้งหัวคนลูกสู้ไปทั้งตัวแล้วกลับหลังหันวิ่งออกมาจากห้องนั้นโดยมีพี่ผู้โดยสารคนนั้นและพี่ตำรวจรถไฟวิ่งตามมาติดติดอย่างง ง, งๆเพอออกจากห้องนั้นได้ผมก็วิ่งตรงไปที่ที่นอนพี่ผู้โดยสารกับพี่ตำรวจรถไฟตามมาจนถึงที่นอน แล้วเราก็มานั่งคุยกันที่บนเตียงชั้นล่างเราคุยกันด้วยเสียงเบาๆเพราะไม่อยากให้ผู้โดยสารอื่นแตกตื่นพวกพี่เห็นมันผมไหมเหมืนถามพี่ทั้งสองคนทั้งสองคนใส่หน้าไม่เห็นหรอกแต่ผมแค่ได้ยินว่ามีคนเจออะไรคล้ายๆแบบนี้บ่อยๆบนรถไฟขบวนนี้แหละพี่ตำ ร, รวจรถไฟบอกน้องเห็นอะไรอะ่ะก็ผมเห็นผู้หญิงผูกคอตายในห้องนั้นทีแรกเห็นเป็นเชือกบวงและทีเห็นเป็นผู้หญิงที่ผูกคอตายบนเชือกสยองจริงๆ เป็นผู้หญิงผมยาวๆใส่ชุดแซกสีน้าตาลส่วนหน้าตานี่เห็นไม่ชัดคือมัน ม, มืดๆครับที่แน่ๆคือถึงเห็นหน้าไม่ชัดแต่ผมรู้สึกว่าเธอยิ้มให้ผมด้วยผมตอบพี่ตำรวจรถไฟแต่สิ่งที่ผมเห็นนะคือผมเห็นคุณเดินไปทางนั้นที่ผู้ชายชี้ไปทางที่เราเพิ่งกลับมาเมื่อกี้คุณเดินเรื่อยๆเหมือนคนนอนละเมอเดินไปคนเดียวผมไม่เห็นผู้หญิงที่คุณเล่าเลยสักคนและผมรู้ว่าถ้าผมกับพี่เขาไม่รีบล็อกตัวช่วยคุณลงมาคุณอาจจะตายเพราะแขนคอตายไปแล้วก็ได้ พี่เขาบอกผมผมหน่าชามากจริงเหรอครับพี่เห็นผมเดินไปคนเดียวจริงๆเหรอครับใชอ่อย่างที่ผมว่าพี่ตํารวจรถไฟตอบเสียงหนักแน่นเคยมีอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่พอจะเลให้ผมฟังได้ไหมครับผมถามพี่ตํารวจรถไฟนานมาแล้วสมัยผมทํางานบนรถไฟใหม่ๆผมมาทํางานในรถไฟขบวนนี่แหละเวลาเดินทางก็ประมาณนี้มีผู้หญิงได้สารผู้หญิงใส่ชุดสีน้ําตาลดูเหมือนตอนนั้นเธอกําลังท้องด้วยนะท้องอ่อน เวลาผมเดินผ่านเธอผมก็มักจะเห็นเธอมีสีหน้าเศร้าๆน้ําตาซึมผมแอบได้ยินเธอคุยโทรศัพท์เธอพูดว่าผู้ชายเฮี้ยหี้อย่างเนี้ยกูไม่อยู่ด้วยหรอแล้วเธอก็วางโทรศัพท์พี่ตำรวจและไฟเริ่มเล่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นรู้อีกทีก็ได้ยินเสียงพนัก ง, งานทางโบกี้ท้ายสุดโทรศัพท์เข้ามาตอนนั้นผมอยู่ที่ด้านหน้าบอกว่าเกิดเรื่องแล้วให้รีบมาด่วนผมกับพวกรีบไปทันทีก็พบหญิงสาวคนนี้แหละที่แขวนคอตายตรงนั้นพร้อมลูกในท้อง ที่ตำรวจรถไฟเล่าให้ฟังอย่างละเอียดก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนโดนเหมือน ก, นกันกับคุณหลายคนโดยเฉพาะมาเกิดกับผู้ชายเดินทางคนเดียวอย่างน้องนี่แหละพวกเราก็เลยต้องล็อกประตูทางเข้าไว้ไม่ให้ผู้โดยสารเข้าไปได้ถ้าจะเข้าไปเอาของก็จะไปกันสองคนแต่ผมก็งงนะว่าประตูเปิดได้อย่างไงทั้งที่ผ ม, มเป็นคนล็อกเองกับมือฟังพี่ตำรวจและไฟเล่าจบพี่ที่นอนเตียงล่างก็ทำตาเหลือกตามมองเขม่งไปทางประตูขนหัวลุกไปหมดพี่เขาปากอ้าตาค้างชี้มือไปทางประตู ผมหันไปมองตามและสะดุ้งเฮือกผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่นอกประตูสองเท้าลอยอยู่ไม่ติดพื้นเธอเงยหน้าขึ้นให้ผมเห็นหน้าของเธอชัดชัดดวงตาแดงก่ำปากเบี้ยวลิ้นจุกอยู่ที่ปากใบหน้าคล้ําเธอกวักมือเหมือนเรียกผมให้ไปด้วยกันปากขมุกขมิดเหมือนกับจะบอกว่าไปด้วยกันเถิดพี่ตำรวจรถไฟเห็นท่ามีดีก็คว้าไส้พระที่ไม่รู้เอามาจากไหนมาสองเส้นคล้องคอให้พวกผมทั้งสองคนแล้วบอกว่า น้องทำใจดีๆไว้ครับนี่ผมคล้องพระให้แล้วผมกับพี่ที่เตียงล่างเอามือคว้าส้อยพระพนมมือไหว้พระแล้วพร่ำสวดมนต์ไม่เป็นศัพท์ท่องปนไปปนมาจนใจเย็นลงมองไปก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วพวกเราขอบคุณพี่ตํารวจรถไฟที่คล้องสร้อยพระให้ไม่งั้นเราคงไม่เป็นอันทำอะไ ร, รแน่ๆพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาผมมาทํา ง, งานก็ต้องใส่ส้อยพระตลอดเลยไม่งั้นกลัวจะเห็นมานน้องนี่แหละแถมยังต้องพกมาเผื่อผู้โดยสารยืมด้วยเวลาเจอเรื่องแบบนี้ แล้วก่อนลงรถน้องอย่าลืมคืนพี่ด้วยละ่ะแล้วตลอดคืนนั้นพวกเราก็ไม่มีใครนอนหลับได้แตะ่ะนั่งคุยกันจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่เดินทางโดยรถไฟอีกเลยครับหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ